ตอนจิตสำนึกวันที่เก้าตุลาคม 2,559 กหาราบก้าบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามนเณรคุณเมชีกัละยาณมิตรทุกท่านก็นั่งสบายสบายเนาะก็สองวันที่ผ่านมานะพ่อ ก, กูก็มีโอกาสไปทานข้าวนะเมื่อวานนี้มีโอกาสไปทานข้าวกับชุดเมชีมัธยมนะก็เหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ นะพวกครูก็มีงานหลายด้านนะแต่กี่ด้านก็ช่างนะทุกด้านมีความสําคัญหมดเราอยู่แบบครอบครัวเราไม่ต้องตั้งกติกาว่าอะไรมันเป็นทุกคนรู้หน้าที่ตามธรรมชาติพ่อต้องทําอะไรแม่ต้องทําอะไรพี่คนตัวทํำยังไงนะทุกคนทําหน้าที่นะมันเป็นเรื่องของชีวิต มันเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่อุตสาหกรรมแต่ตอนนี้เข้าความคิดแบบอุตสาหกรรมมาตรฐานแบบอุตสาหกรรมมาใช้กับการศึกษามันก็เลยตึงเครียดแข็งกระด้างทุกคนกลายเป็นหุ่นยนต์แต่ไม่ใช่ศูนย์พลานคอยนะศูนย์พลานคอยคืออะไรนะใครตอบไดนะ้คิดในใจก็แล้วกัน มันเป็นโรงเรียนไหมมันเป็นวัดไหมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไหมมันมันเป็นเกษตรก ร, ร, ก ร, รไหมจร <c oughs> ิงๆแล้วศูนย์โบรานข่อยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่มันคือทุกสิ่งอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยที่มันจำเป็นในชีวิตเนี่ยถ้ามีโอกาสทาให้มันสมบูรณ์เราก็ทำกันนะเราไม่ได้เป็นอะไรแต่มันคือทุกอย่าง ชีวิตในครอบครัวใหญ่เพราะครูมีความรู้สึกอารมณ์เป็นอย่างนี้อารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องเวทนาไม่ใช่เรื่องกิเลสนะมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกของจิตเหมือนเราอยู่กับครอบครัวใหญ่นะทุกคนเป็นถ้าในภาษาที่เขาภาษาเรียกทางนั่นเขาเรียกว่าญาติธรรมนะเราเป็นญาติทางธรรมะญาติธรรมะเนี่ยต้องฆ่ากันไม่ได้ แต่ญาติพี่น้องร่วมท้องพ่อแม่เดียวกันน่ะฟ้องร้องกันวางแผนฆ่ากันได้เพื่อแย่งมรดกอันนั้นเป็นญาติแค่สมมุติสมมติว่าชาตินี้ฉันเป็นพี่เธอเธอเป็นน้องฉันฉันเป็นแม่เธอเธอเป็นพี่ชายฉันมันเป็นแค่สมมุติแต่ญาติธรรมนี่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันผูกพันกันมามันสร้างบุญมาด้วยกันหลายภพหลายชาตินะ เรามีโอกาสมาเจอกันที่นี่ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นบุญร่วงนะเอาเป็นว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะเรามีหัวอกเดียวกันนะส่วนอนุสัยจริตต่างกันนะเราต้องยอมรับในความแตกต่างอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะก็โดยเฉพาะแม่ชีซึ่งเป็นมัธยม เริ่มโตท่าในทางโลกเขาเรียกว่าเริ่มเป็นสาวสามเณรมัธยมก็เริ่มเป็นหนุ่มนะฮอร์โมนในร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนเป็นนี่ตามหลักธรรมชาติที่นี้เริ่มรู้นนรู flavored, ้นี่นะรู้มากขึ้นก็ความรู้สึกอายเขินก็มากขึ้นนะตอนเด็กๆเราไม่รู้หรอก หิวก็กินง่วงก็นอนมีไรก็แสดงออกมาเลยนะก็ตอนนี้นี่เป็นเทอมแรกหรอกที่พ่อครูบอกบ่อยๆว่าและเป็นเทอมที่เปลี่ยนแปลงแรงมากโลกมันเปลี่ยนนะ่ะมันก็แรงแต่พ่อครกูก็แรงกับมันนะเธอเปลี่ยนแรงไปในทางที่ทำความชั่วฉันก็เปลี่ยนไปทางแรงที่ทำความดีมากขึ้นแล้วจะไปพอใจโอ้ทาดีแค่นี้ก็พอนะั่นนั่นแหละกิเลสมันสอนนะเราไม่รู้โลกอย่างแจมแจ้งว่า ความชั่วมันเปลี่ยนแรงขึ้นถ้าความดีเราไม่มากกว่ามันหรือเท่ามันเนะี่เดี้ยงหมดนะสุวนี้ยี่สิบเจ็ดปีพระครูมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะไม่ใช่ไปคิดเอาเองนะขึ้นมันบอกเราก็ทาทาทำนะข้างนอกมันยิ่งแรงทั้งนี้ยิ่งแรงนะมันมันต้องสมดุล น, นะไม่งั้นสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นใครจะกล้าคิดว่าวันนี้เราจะมาบวชลูกหลานเราแบบนี้ นะแล้วบังเอิญลูกหลานเราก็เอาด้วยไม่ใช่คิดจะทําก็ทําได้นะฮะเห็นไหมพ่อครูก็เรียนรู้กับพวกเราอยู่นะไม่วางแผนพอถึงเวลานะขึ้นเป็นแบบนี้อ้าวทำทำทำทำแล้วค่อยรู้ว่าทําเพราะอะไรไม่ใช่ไปวางแผนแบบทางโลกทําแล้วฉันจะได้อะไรมันจะเป็นยังไงไม่พ่อคูไม่เคยวางแผนยี่สเจ็ดปีไม่เคยคิดนะแต่ช่วงนี้อารมณ์โลกมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมันเป็นอย่างนี้ เรารู้เท่าทันมันเห็นไหมไม่ใช่คิดวางแผนจะทําธุนนี้ใครจะกล้าคิดอะจะมีวันนี้ไหมเห็นไหมแล้วก็สามสี่เดือนที่ผ่านไปเร็วมากลูกแล้วก็ปิดเทอมเห็นไหมคำว่าปิดเทอมเราทั้งชีประถมชีมัธยมนะก็เพราะครูไม่ใช้คําว่าพวกเราเสียสละลูกเราไม่ได้เสียสละเราทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เราทำในสิ่งที่ควรทำนะไอการบวชเนี่ยคือสนองคุณพ่อแม่ส่วนหนึ่งแล้ววันปีนี้เนี่ยเป็นปีมหามงคลนะเราเป็นคนไทยเราต้องมีกตัญญูรู้คุนแผ่นดินเกิดนะการบวชในปีนี้เนี่ยถือว่าเราบวชถวายแด่พ่อหลวงของเรากับแม่หลวงของเรานะที่เป็นมหากุศลเพราะมันปีนี้เนี่ย ในหลวงขึ้นของราชครบเจ็ดสิบปีพอดีราชินีครบเจ็ดรอบนะก็เรียกว่าเป็นมหามงคลในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะเราก็ถือโอกาสบวชนะส่วนอนาคตข้างหน้ายังไม่รู้อันนี้เราก็เดินมาจนนับถอยหลังเนี่ยนะมวันที่สิบหนี้เนี่ยเราาวนาตัวเข้าพรรษากันในหลุกนะเข้าพรรษาก็อีกไม่กี่วันเราก็ เมือนเราเรียนเทอมนี้จบเห็นไหมเป็นปีต่อปีเป็นเทอมต่อเทอมอันนี้เหมือนกันภาวนาบวชปุ๊บเข้าพรรษาเนี่ยเรารับถอยหลังถึงวันที่สิบหนี้นะแล้วบังเอิญว่าศูนย์เนี่ยเป็นประเพณีทุกปีนะเราก็มีพระคุณเจ้าครูบาจารย์ท่านมาจําพรรษาที่นี่นะ เ, เมื่อครบห้าลูกขึ้นไปเราก็ต้องมีองค์กรถินถ้าท่านได้รับ กรินแล้วก็ถือว่าพรรษาท่านสมบูรณ์นะเราก็ทํามาทุกปีตั้งแต่เปิดศูนย์นี้ไม่มีปีไหนไม่ได้รับกรถินนะเราก็รับกรถินในวันที่พวกคุณไม่ต้องดูวันที่ถ้าวันที่สุปุ๊บออกพรรษาปุ๊บสิก็คือรับกรถินทุกปีเป็นแบบนี้นะส่วนญาติโยมอะไรๆเนี่ยนะกระยามิตรเราเนี่ยที่มาได้ก็มาที่มาไม่ได้ก็ไม่ต้องมาพวกเราไม่จะพิถีปิถานเรื่องพวกนี้แต่มัน เป็นวัฒนธรรมขององค์กรนะก็ถ้าไปพูดเรื่องค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายที่นี่ถ้าคิดแล้วไม่มีใครกล้าทรมันไม่ใช่กำไรขาดทุนเพราะคูไม่เคยคิดไงมันถึงรอดมาที่นี่ยี่สิบดปีนะไม่ต้องคิดมันก็ผ่านมาได้ทั้งนั้นแหละนะหลายคนมาที่นี่ก็ห่วงอู้พรากคูเอางบประมาณมาที่ไหนนั่นคือทุนนิยมนะทให้เราไม่มีแรง พอเห็นตัวเลขปุ๊บหนึ่งสองสามีห้าเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วเขาไวอนหมดเลยไม่กล้าทําอะไรมันก็เลยพลาดโอกาสในการสร้างกุศลเพราะครูไม่คิดเพราะครูไม่มีตัวเลขถามว่าครูเออนี่ก่อสร้างเท่าไหร่ก็นั่งงงนะไม่รู้ไปจํามันทําไมเดี๋ยวมันก็เสร็จแต่ตอนนี้เราไปติดนิสัยว่าเออต้อง่านนั้นนี่ต้องโครงการนี้มันงบประมาณแค่นั้นแค่นี้แล้วชาติหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่างบประมาณมันไม่พอสักทีหนึ่ง นะคือถ้ามันควรทำเราก็ทำนะเดี๋ยวมันก็เสร็จนะอันนี้ก็บังเอิญว่าสิบเจ็ดเรารับกระถินปีนี้พ่อครูก็บอกทางโรงเรียนนี่ปรับให้มาเข้ากับเราปกติคุณครูต้องมาเข้าค่ายก่อนหน้านี้นะพ่อครัปรับมาขนสายด้วยกันการศึกษาต้องเปลี่ยนระบบใหม่ไอเรียนแบบเก่าๆแล้วเนี่ยมันสอนให้คนโง่ มีแต่ความเห็นแก่ตัวเหมือนหุ่นยนต์นะการศึกษาที่แท้จริงเนี่ยอันดับแรกเธอต้องมีทานศีลภาวนาก่อนเธอต้องฝึกให้ตัวเองเป็นผู้ให้ได้ไม่ใช่ผู้เอาตอนนี้ตำแหน่งผ อ, อเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มีแต่ผู้เอาไม่มีผู้อาสานะความเป็นมนุษย์ไม่มีนะของเราเปลี่ยนใหม่ครูก็ เ, เลยต้องมาเปลี่ยนนะมา กูจะเข้าค่ายวันที่ส3บสา5สิบี่สิบห้าบหนะมาขนทรายกันมาสร้างกุศลแล้วก็ส7บเจ็ดรับกระถินก้อยกลับและทีนี้เราก็ตกลงกับแม่ชีมัธยมนะเมื่อวานนี้ว่าก็ถือโอกาสเข้าค่ายเขลงกับ ก, ก, กูเรียนรู้ด้วยกันเพราะกูก็เรียนรู้ด้วยกันนะ เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนแรงมากโดยเฉพาะปีที่ผ่านมากระแสการศึกษาโลกนี่แรงมากไม่เคยมียุคไหนแรงแค่นี้เพราะว่ามนุษย์อยากได้อะไรก็ ก, ก็ก็มีหมดและจะสร้างอะไรก็สาเร็จหมดแล้วแต่ปัญหาชีวิตมากขึ้นไม่ใช่เมืองไทยทั่วโลกกำลังมีปัญหาเรื่องการศึกษานะความเปลี่ยนแปลงเร็วมากก็เราถือโอกาสเข้าค่ายครูต้องเรียนรู้กับพวกเรา เดี๋ยววันที่สิบสาเข้าวันที่สนะิบสนะี่นะสิบสี่นะสิบสี่กลางคืนเม่ชีปฐมที่พกบกเตรียมนะคนที่ปฏิบัติแบบสุเรียนจันทาได้แล้วก็เม่ชีมัธยมแล้วก็เม่ชีใหญ่นะก็ อันนี้เราเตรียมมาลองดูนะเพราะว่าวันออกพรรษาแล้วเนี่ยเราก็มีจะมีกิจกรรมเหล่านี้ยากโยงเขาก็เดินทางมาเป็นวันที่สิบสี่ตุลาพอดีนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ไทยนะสิบสี่ตุลาหนึ่งหนะเป็นวันที่เยาวชนเราในอดีตเนี่ยเขาพลีชีพมาต่อสู้เพื่อ สังคมบ้านเมืองน ะ, ะเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เมื่อวันก่อนในเพิ่งผ่านมาก็6ตุลา6ตุลา19มาถึงวันนี้ก็40ปีพอดีแต่เยาวชนไทยเปลี่ยนเป็นฟ้ากับหน้ามือหลังมือเลยนะเพราะการศึกษาช่วงหลังนี่มันผิด สมัยก่อนเนี่ยปอสี่อ่านออกเขียนได้นะออมอหนึ่งเป็นครูได้แล้วล่ะทุกวันนี้มันล้มเหลวหมดนะเขาต้องเขาไม่ต้องการให้เราฉลาดเดี๋ยวเขาจะปกครองเราลำบากนะสำนึกรับผิดชอบสังคมไม่ค่อยมีนะเออมื่อหลายวันก่อนพ่อครูก็มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะของญาติธรรม ก็มีคุณหมอคนหนึ่งก็ปรึกษาพระครูเรื่องลูกชายพูดเรื่องการศึกษาแล้วก็คุยกันอยู่ทีนี้มีคนหนุ่มคนหนึ่งเขาก็มาแจมด้วยเขาบอกมันเป็นหน้าที่พวกเราเหรอทำไมต้องเสียเวลาคุยเรื่องนี้เนี่ยเยาวชนยุคใหม่ในขณะที่วันนั้นคุยเรื่องนั้นบังเอิญว่ามันมีข่าว เยาวชนฮ่องกงคนหนึ่งนะเขาชื่อโจชัววองอายุส9บเก้าปีนะก็มาวัลัยจุลาเนี่ยคณะรัฐศาสตร์เชิญเขามาแลกเปลี่ยนนะทำไมถึงเอ่ยถึงคนหนุ่มคนนี้ตอนนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ไทม์ยักษ์ใหญ่ ของโลกนะเขายกย่องโจโชวองเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งในสิบที่มีอิทธิพลของโลกประชาธิปไตยเขาเดินขบวนตั้งแต่อายุ1 4 1สห้าเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขระบบการศึกษาฮ่องกงใหม่นะ ให้ไปเรียนวิชาท่องจำอะไรอะไรซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์กับอนาคตของเยาวชนเลยนะแล้วก็ปีที่แล้วมาเขามาเดินขมวลต่อต้านแผ่นดินจีนใหญ่คือว่าประวัติศาสตร์ฮ่องกงสมัยก่อนเป็นเมืองขึ้นเป็นการควบคุมดูแลของประเทศอังกฤษนะแล้วก็อังกฤษก็คืนให้ โดยมีข้อตกลงกับจีนแผ่นดินใหญ่ว่าจะให้ฮ่องกงเนี่ยได้บริหารตนเองแต่จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก่อนเลือกตั้งผู้ว่าฮ่องกงเมื่อไหร่เนี่ยคนที่คัดสรรคนลงมาก็คือแผ่นดินจีนเลือกมาสองคนแล้วก็ให้ชาวฮ่องกงเลือกหนึ่งในสองคนนั้นเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนออกมาต่อสู้ เขาต้องการให้คนฮ่องกงเนี่ยมีสิทธิเลือกคนของฮ่องกงเองนะเรื่องนี้ดังไปทั่วโลกในขณะที่เยาวชนชัยถามว่าเป็นหน้าที่เราเหรอก็ไม่ต้องห่วงสังคมประเทศจึงเป็นอย่างนี้ไงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองก็ไม่มีนะนี่การศึกษาที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ไง มีแต่เก่งเก่งเอาตัวรอดคิดแต่เรื่องสนุกสนานเรื่องประโยชน์ต่อตัวเองนะถึงว่าการศึกษาสำคัญมากนะแล้วตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาแค่ประเทศไทยหรอกมันเป็นปัญหาทั้งโลกนะก็ช่วงคููเข้าค่ายเนี่ยแล้วก็ไม่ฉีกมาจมเข้าค่ายด้วยเพราะคูก็ใช้เวลา ห6วันนี้อยู่กับอยู่กับเราตลอดมีจังหวะว่างปุ๊บเราเปิดวีซอาดูกันว่าข้างนอกเขาเป็นยังไงยังไงยังไงและอนาคตเขาหน้าเป็นยังไงนะก็ยกตัวอย่างนิดนึงนะคือเร็วๆนี้ก็มีข่าวออกมาเนี่ยหลายประเทศเขาก็สร้างหุ่นยนต์นะหลายเขาพยายามสร้างหุ่นยนต์เร็วๆนี้เนี่ยญี่ปุ่นมาสั่งซื้อหุ่นยนต์ในประเทศไทยพอกู ดูไม่ทันมันตัวเลขกี่พันตัวก็ไม่รู้ไอ้ตัวที่นั่งเฉยๆที่เดินไม่ได้น่ะตัวหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าตัวเดินได้น่ะล้านบาทนะบริษัทหนึ่งที่ญี่ปุ่นสั่งซื้อเขาเป็นห้างสรรพสินค้าเขาสั่งซื้อไอ้ตัวที่มันนั่งเฉยๆเดินไม่ได้แสนบาทไม่รู้กี่พันตัวนะเป็นหุน่นยนต์ตัวแรกนะลิขสิทธิ์แล้วก็ เป็นสินค้าได้เข้าไปทำอะไรเข้าไปขายของนะถังใครเดินห้างนะมาก็มีอันนี้เซกชันนี้ขายเสื้อผ้า น, นี่ขายรองเท้าขายอะไรเนี่ยต่อไปเขาไม่ต้องใช้คนแล้วหุ่นยนต์มันยิ้มตลอดคนบางทีอารมณ์ไม่ดีก็หน้าบูดและมันไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยมันไม่ต้องกินข้าวจังหาก แล้วไม่ต้องลาป่วยลาคลอดลูกและพวกเราต่อไปจะอยู่ยังไงมันเปลี่ยนเร็วมากนะและเขาพูดได้ห้าภาษาโดยไม่ต้องมาเรียนแบบพวกเราไงและาราคาแค่แสนบาทเนี่ยก็ใช้มันสองสามเดือนเขาก็คุ้มแนละ้วมันเปลี่ยนแล้วนะ ถ้าเรายังทาเหมือนเก่าอยู่แบบนี้นะี่ยเราไม่มีจุดยืนในสังคมในโลกไปนี้อันนี้ตัวอย่างบางตอนะ่ะมีอีกเยอะเดี๋ยวสี่ห้าวันเราคุยกันถ้าเราถูกสอนว่าไปท่องจําท่องจําแล้วก็จําแล้วก็เอาไปเมินสอบนะเขาสั่งให้เราซ้ายหาันขวาหันเนี่ยนะเหมือนหุ่นยนต์นะแล้วเ ข, เขาจะไปใช้เราทําไมเขาก็ใช้หุ่นยนต์ดีกว่าเห็นไหมไม่ต้องเตืองข้าวด้วย เมื่อต้องม่ต้องจ่ายเงินเดือนด้วยถ้าเราเดียนแบบเก่าเนี่ยไม่มีแผ่นดินที่จะเป็นจุดที่ยืนของเราแล้วมีหลายหลายอาชีพจะหมดไปในโลกนี้วอมาร์เนี่ยเป็นร้านสบสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่อเมริกากำลังจะล่มสลายเพราะว่ามันซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ต หลายๆอาชีพที่อยู่ในนี้มันจะมันจะหายสูญจากโลกใบนี้นะถ้าเราวมัวยึดมั่นถือมั่นกับอุดมการบ้าๆบอๆความคิดแบบเก่าๆเนี่ยนะเราอยู่ยากนอกจากเราไม่แคร์จะเปลี่ยนยังไงเราก็อยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมก็อยู่ได้งไง เอาว่าสรุปมันเปลี่ยนเราไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงบริษัทใหญ่ๆมันยังปรับตัวไม่ทันเงินทองมันก็มีเทคโนโลยีก็มีสุดท้ายก็มันก็ปรับไม่ทันแมันก็ล่มสลายไปทีละทีละอย่างตอนนี้เห็นไหมวันนั้นพักูเกิดเรื่องโกดักสมัยก่อนฟิล์มกล้องเนี่ยดังที่สุดในโลกคือโกดักตอนนี้ล่มสลายละนะไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่เขาปรับตัวไม่ทันมันเปลี่ยนเร็วมาก เขาใช้หุ่นยนต์ไม่ต้องจ้างเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำต่างหากไม่อู้ยิ้มตลอดมันพูดได้ห้าภาษาด้วยเราจะเก่งแค่ไหนล่ะเราจะสู้หุ่นยนต์ไม่ได้นะเราไม่มีมูลค่าเท่ากับหุ่นยนต์อันนี้นะพวกกูชี้ตัวอย่างแต่ว่าเราไม่ต้องตื่นเต้นเราเรียนรู้รู้เท่าทันโลกนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทานันเราไปตามมันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เป็น ต่อไปหุ่นยนมันจะสั่งมนุษย์ทำงานใช่มมันจะสั่งเราทำงานนะเอาแค่ภาษามันก็พูดเก่งกว่าเราแล้วนก็เม่ชีกำลังจะกลับบ้านเพราะกูถามเอา้าวันที่ส8บปดเราไปต้อง กะแลมิดหลายคนนะญาติธรรมก็ถามว่าอยากไปด้วยอะไรๆ ไ, ไมไใช่ว่าทุกคนต้องไปนะงานนี้สำหรับไมชีกับเนนพวกคูไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปจัดทัวร์นะอันนี้เป็นอะไรล่ะ <c oughs> เหมือนปิดเทอมลวโอเคเขาทำหน้าที่เขาอย่างสมบูรณ์นะพวกคูเหมือนพ่อบ้านอามจังหวะว่างปุ๊บไปลูกไปกินข้าวกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันว่าต่อไปนี้จะทำยังไงนะแล้วก็นื่งจากเขาบวช นะเขาบวชครบพรรษาแล้วเนี่ยเรื่องพรรษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะเราก็พากันไปนมัส ก, การพระธาตุพนมนะแล้วก็เป็นครั้งแรกของศูนย์ที่ทำแบบนี้นะรวมทั้งเมชีภัยภิษุสามนเณรแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่เป็นญาติธรรมที่ว่าอยู่ที่นี่แล้วก็จาบรรษาด้วยกันแบบนี้แล้วก็ผู้เข้าผู้แก่เหมือนครอบครัวในครอบครัวนี่แหละนะไปก็พุทธบุตรศศีนี่นะครบองค์ไปด้วยกันเหมือนจาริกไปแสวงบุญนะในขณะเดียวกันที่เราจาริกไปแสวงบุญเนี่ยเราก็ประกาศพรมอาจารย์ด้วยนะไม่ต้องทําอะไรแค่เราทําหน้าที่สํารวมอันนี้ ก, ก็ก็ฝากนิดนึงนะ ไอ้เจ้าภาพที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะสามเณรน้อยกับแม่ชีน้อยเราเนี่ยแม่ชีน้อยเมื่อวานพ่อครูไปกับแม่ชีมัธยมไปทานข้าวที่เขื่อนศิรินทร น, นะแล้วก็พาไปพิบูรณ์ด้วยไปเดินบิก๊กซีทำไมถึงทันอย่างนั้นเพราะแม่ชีบางท่านคิดว่าจะกลับบ้านแล้วเนี่ยรู้จักเขินอาย จะไปหาวิกมาใส่นะเพราะกูได้ยินเป็นเรื่องปกติวัยขนาดนี้เขาก็มีเรื่องอารมณ์พวกนี้นะเพราะกูก็ไปนั่งคุยกันบอกว่าเราอย่าอายทำดีนะมีดาราเนี่ยดังๆหลายคนเนี่ยมีเวลาบวชแค่เจ็ดวันสิบวันโอ้โหมดโฆษณาไปทั่วโลกอ่าแล้วแล้วโชว์สกินเฮดไม่ใช่เรื่องหน้าอายเรื่องหน้าภาคภูมิใจโดยเฉพาะ เราบวชตั้งพรรษาหนึ่งแล้วก็บวชให้ในหลวงราชนีเราเนี่ยไม่ใช่เป็นร่องที่ต้องปกปิดไม่ต้องอย่างมากไปเดินไปร้อนก็ใส่หมวกบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องถึงขั้นว่าจะไปใส่วิกใส่อะไรอย่าไปกบเกินความดีของเรานะอย่าอายทาดีจงอายทำจน จ, จงอายที่เราทำชั่วเราไม่ได้ทำชั่วอะไรไม่ต้องอายพราะครูก็ไปลอง สอบอารมณ์ดูพรากูไปด้วยบิกสีพระกูไปเดินด้วยก็แอบดูเลยหนึ่งไม่เห็นอายเลยที่เรออาไอเราอายเพื่อนฝูงอายคนรู้จักกันอ่ะทําไมต้องไอคนรู้จักกันรู้จักกันมาตั้งนานแล้วไยทําไมนี่นี่คือนี่คืออุปท า, านนะไอคนไม่รู้จักกลับไม่อายเห็นไหมเพราะกูแอบดูไม่ไอเลยสนุกสนานกันแต่ <c oughs> จะจกลับบ้านจะไปเจอญา่าาเจอเพื่อนเจอฝูงเด็กกับไอเอ๊ะทําไมต้องอไอเรารู้จักกันมาตั้งนาน มันเป็นอารมณ์ธรรมดานะลูกแต่พรอครูถึงบอกว่าอย่าอายทําดีเราไม่ใช่ว่าไปโกนผมอยากให้มันสวยมันแฟชั่นเหมือนสมัยสกินเฮดที่เขาแฟชั่นอันนั้นต้องหน้าอายมันเป็นกิเลสทําเพื่อกิเลสเนี่ยหน้าอายมากอันนี้เราทําที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปอายมันทําไมอ่ะนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังทุกแห่งสอนทำได้หมด ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาเหิมาลัยธรรมะคือธรรมดาธรรมดาไม่อายบางทีภาษาไทยบอกว่าไม่มีอย่างอายก็เป็นภาษาที่เขาเตือนว่าให้เราเนี่ย สำรวมระวังแต่ถ้าเรากลัวอายจนไม่กล้าแสดงออกมาเลยเนี่ยอันนี้เป็นผลเสียนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีเราอ่านเราเก่งเราขยันมากเลยแต่เราพูดไม่เป็นสื่อสารไม่เป็นแปลไอ้ความรู้เราเป็นภาษาไม่ได้เนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าเราเก่งแค่ไหน ยุคนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะนะคือคือสิ่งที่มันดีอย่างเรามียางอายนะ่มันเป็นวัฒนธรรมมาเออทำอะไรสงบเสงี่ยมระวังตัวนะให้มันพอดีแต่ถ้าไปอายโดยไม่มีเหตุผลอะไรก็ไม่กล้าแสดงออกอันนี้กลายเป็นเรื่องไม่ดีนะเรายาอายทำดีนะ อย่างนี้ไปเดินห้างกับพระครูแต่งตัวแบบพระครูนี่อายไหมไม่รู้เดินกับตาแก่คนไหนก็ไม่รู้นอวเราทำความดีไปอายทำไม น, นะคนที่มันน่าจะอายคือคนขโมยทำความชั่วต่างหากอันนี้ก็พูดให้ฟังนะเออแล้วันนี้ก็ไปกับไม่ชีปฐมเราก็มีครกคุณมีความสุขลู ด, ดล้างเราทุกคนเนี่ย สงบเสงี่ยมนะแค่สามสี่เดือนเนี่ยนะท่าในทางโลกตอนนี้กําลังมีคดีความใหญ่ระดับชาติอยู่บอกว่าคําว่าเอาอยู่นะเอาอยู่น้ําท่วมเอาอยู่มันก็เลยท่วมก็เลยเอาไม่อยู่เขาก็เลยฟ้องร้องกันนะแต่ไม่ชีน้อยเราเนี่ยน่ารักมากโดยเฉพาะเราเดินทางไปเที่ยวนี้นะที่บอกว่าเราถือโอกาสจาริกไปแสวงบุญแล้วก็ถือโอกาส ประกาศพมจันท์ประกาศพมจันย์ไม่ใช่ประกาศศาสนาเอาแค่ทุกคนทําหน้าที่เราอย่างนี้นะนะคนเป็นร้อยกว่าคนไปร่วมกันนะ่ะแล้วไม่มีเรื่องมีราวคนทางนอกเนี่ยเขาไม่มียานอย่างรู้เรื่องจิตวาลจิตเราเขามองด้วยตาเนื้อนะเขามองด้วยตาเนื้อถ้าเห็นพฤติกรรมเราเนี่ยไม่สํารวมอะไรเนี่ยเขาจะขาดศรัทธา เขาขาดศรัทธาพวกเราเหมือนเขาขาดศรัทธาศาสนาเอาแค่เราทําหน้าที่เราอย่างาที่อยู่ในศูนย์นี้เราปล่อยตามธรรมชาติเพราะเราเข้าใจกันเราก็ไม่ทําอะไรเสียหายเพียงแต่ว่าไอ้ไอบุคลิกกิริยาที่แสดงออกเนี่ยนะนะอยู่ในศูนย์นี้กับอยู่ข้างนอกต้องระวังไม่เหมือนกันนะคนข้างนอกนี่เขามองด้วยตาเนื้อเขาไม่เห็นสภาวะจิตเรา บังเอิญเขาจะมาสร้างกรรมกับพระอริยะเรานน้อยนี่เขาจะบาปไม่ใช่เราเสแสร้งไม่ใช่เราสร้างฉากเราป้องกันไม่ให้เขาสร้างกรรมกับเราเราป้องกันไม่ให้เขามีความรู้สึกไม่ศรัทธาศาสานานะก็เตรียมตัวแต่ไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องอะไรลนะ่ะทำตัวเป็นปกตินะเพ ن แต่ว่าสำรวมระวังมากหน่อยหนึ่งเพราะเราออกไปข้างนอกทุกคนเขามอง วันนี้เมชีน้อยเราเดินเป็นแถวเข้าวิกสีเพราะกูไปถึงก่อนเพราะกูแอบดูทั้งนั้นละนะคนขายของที่น่นแล้วก็เด็กวัยเดียวกันเนี่ยมองเพ่งแบบเขาตะลึงนั่นแหละคือแสดงธรรมแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นก็พูดเรื่องนี้ก็มาพูดของญาติธรรมที่มาปฏิบัติในศูนย์เนี่ยโดยเฉพาะพึ่งมาสัมผัสเราไม่กี่ครั้งเนี่ยเพราะกูให้ข้อคิดให้สติ หลายคนหวังดีนะหวังดีแต่บางครั้งระวังนะบางทีเรารู้ไม่ทั้งหมดบางทีหวังดีอาจจะกลายเป็นประสงคไลหลายองค์กรไม่ระวังเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่เราไม่คาดผ่นขึ้นมาเยอะแยะคนบริสุทธ์ก็มีคนแฝงมาก็มีนะมันมีหลากหลายเอาเป็นว่า ท่านผู้ใดที่พวกคูยังไม่มอบหน้าที่ให้นะท่านมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นคือที่นี่มาปฏิบัติอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเห็นธรรมก็เห็นธรรมนั่นแหละแนวแน่ใจยังไงธรรมที่เราเห็นมันบริสุทธ์นะก็ไปถ่ายทอดให้คนอื่นเดี๋ยวบางทีเราหลงไม่พอพาคนอื่นหลงด้วยอันนี้กรรมหนักนะอย่า ก, กระทำถ้าคิดว่าปฏิบัติแล้วเออรู้ดีเราแตกฉานแล้วก็โอเคถึงเวลากลับก็กลับไป ศูนย์นี้ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งการทําบุญอะไรใจดีเนี่ยไปซื้อขนมแจกเด็กๆ เ, เนี่ยแม่ชีที่ดูแลเด็กๆต้องระวังนะเขาก็บอกว่าเวลานานทีหนึ่งทีน่นี้ร้อยคนก็คิดนานๆทีหนึ่งแล้วมันยังไงล่ะบางทีเราคุมเรื่องน้ําตาลเรื่องอะไรๆเด็กเออบางครั้งก็ให้เขากินทีหนึ่งแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าบางครั้งเนี่ยคือเท่าไหร่ แต่คนในศูนนี่เขารู้ว่าบางครั้งเนี่ยคือเท่าไหร่จะทำอาหารอะไรกินก็ช่างไม่ใช่ใครก็ทำได้เนาะไม่ใช่เรื่องสนุกสนานโรงเรียนเราทำไมต้องผดอาหารเองเห็นไหมและหลายแห่งเนี่ยยัดเียทาเหมือนกันถ้าหวังดีมาซื้อนู่นซื้อนี่มาให้เด็กกินถ้าเกิดมันท้องท่วงท้องอะไรเนี่ยใครรับผิดชอบนั่นแหละหวังดีประสงค์ลาย ถ้าอยากทำบุญน่ะเรามีส่วนกลางเรามีมูนิธิอยู่แล้วทำถ้าคนไหนในสูนเนี่ยไปรับปัจจัยคนอื่นถือว่ารับสินบนถ้าคนไหนแอ บ, บเอาให้ใครชิ่นี่ถือว่าให้สินบนเป็นยังไงผิดศีลบางทีหวังดีประสงค์ลาอย่าทำอย่าอยากมาก ทั้งผู้รับและผู้ให้เรามาที่นี่เพื่อลดละเลิกศูนย์ตรงนี้พวกคุณระวังเรื่องนี้มาตลอดมันถึงอยู่มาย7 2ส็ดปดปีได้ไงแต่ถ้าเราถือวิสาสะใจดีของเราแต่ใจดีตามกิเลสเราเนี่ยเราไม่ได้เห็นทั้งหมดบางทีมันได้ไม่คุ้มเสียโดยเฉพาะทำกับเด็กๆบางทีเราไม่ระวังพฤติกรรมใจดีของเราแต่ว่าพฤติกรรมเราเนี่ยมันแฝงด้วยอามิตรหรือแฝงด้วยความโลภหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่น่าดูแล้วเนี่ย เด็กที่จะได้เรียนรู้สิ่งดีๆมันกับเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องอยากมากนะก่อนจะทําอะไรเนี่ยปรึกษากันก่อนบางทีเราช่วยกันพายเรือมากําลังจะถึงฝั่งแล้วไอ้หวังดีประสงค์ายไม่คิดจะเนิดบางทีเผลอปุ๊บเพราะเขาไม่รู้ทั้งหมดว่าองค์กร น, นี้กําลังเดินไปยังไงมองมุมเดียวเนี่ยทำให้เรือมันพาดลุ่มล่มไปทั้งเรือเนี่ยคิดว่ามันดีไหม อันนี้ก็ถือโอกาสบอกกล่าวกันนะปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราทำมากมากอยู่แล้วมาที่นี่ปฏิบัติอยู่กับตัวเองเยอะๆไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นนะพรากครูทุ่บอกว่าไอการเป็นจิตอาสาอะไรอะไรไม่ใช่อยากเป็นนะให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าอยู่กับตัวเองไหมเนี่ยมีบางคนก็ไปจับไม่กวาด กวาดใบไม้เออไม่ได้ย่งกับคนอื่นก็ทำไปสิแต่ถ้ายุ่งกับบุคคลเนียไม่พึงกระทำอันนี้พรากูเตือนนะเราหวังดีนั่นแหละแต่เราไม่รู้ทั้งหมดนะเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยชีวิตแต่และชีวิตทำเล่นไม่ได้เนอะโดยเฉพาะเด็กๆเหล่านี้เนี่ยนะเขาอุตส่าห์มาอยู่ที่นี่นะเขากำลังะจะฝึกฝน ผู้ใหญ่ยังบวชมันเขาไม่ได้เลยเห็นไเราอยากเขามาเป็นหนัวรองยานะนะช่วยกันถ้าจะช่วยกันไม่ใช่หน้าที่เราโดยตรงเนี่ยเรามีองค์กรอยู่องค์กรเขาดูทั้งหมดอะไรควรไม่ควรอย่าเาตัวเองมาที่ตั้งโดยเฉพาะเราเป็นจิตอาสาที่ว่ามีโอกาสทำแล้วเนี่ยจงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำอย่าหังการ ไม่ยิ่งทำมานี่ตัวกูของกูงานกูแล้วเนี่ยยิ่งทํายิ่งอัตราเยอะเสียเวลาชีวิตนะอยู่ที่นี่ตายฟรีอยู่แล้วเราไม่ได้โพวกกระซั์อะไรแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะตายเปล่าอีกเรามาให้ เ, เพื่อลดอัตราไม่ใช่มาสร้างอัตรานะมันจะเสียเวลาชีวิตนะชีวิตทำเล่นไม่ได้ ถ้าพกูยังคิดเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรอยู่เนี่ยพกูเป็นบ้าตั้งแต่วันแรกนี่จากอเมริกามาอยู่ในป่านะไม่มีนะอย่าทําเล่นเหลือเวลาหนึ่งวันหนึ่งนาทีเนะี่ยมุ่งมัน่นอย่าประมาทนะอันนี้ก็ให้ข้อคิดเพราะบางครั้งเตือนหลายครั้งแล้วก็ยังดื้อดื้อทอยู่ไม่ใช่พระกูไม่รู้นะพราะกูนอนอยู่บ้านหลับต้าเฉยเฉยพกูก็เห็นหมดละเป็นยังไงอยู่ที่ว่าจะพูดไม่พูด แล้ในชุมชนนี่เหมือนกันเรารู้เปล่าชุมชนนี่มันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในใครทะเลาะ ก, กับใครอะไรเนี่ยไม่จําเป็นคนในศส่วนก็อย่าไปยุ่งกับเขามีการยมิกญาณิธรรมมาจากจังหวัดไหนพะกูจำไม่ได้หละตอนเข้าพรรษานั้นวันที่จะกลับขับเข้าไปในหมู่บ้านน่ยแล้วเด็กในหมู่บ้านขี่มอไซค์มาก็ชนเด็กคนนั้นก็ตั้งท้องด้วยเห็นไหมเอาละเขาผิด วันนั้นไม่มีใครอยู่พรากูได้เข้ามาบอกพราะคูก็ออกไปดูเองแน่นอนคนในหมู่บ้านพรากูเขารู้ว่าพราะคูเป็นใครแต่พราะคูไม่เคยหลังแกเขานิดหนึ่งเอาล่ะให้เขาคุยกันคุยกันผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลกูกมีอะไรคุยกันไม่เป็นไรคุยกันเอาความจริงเขาว่าทีนี้ญาติธรรมเขาก็เป็นแขกบ้านเราแปรเมืองเนี่ยพราะคูไม่ดูแลเขาก็ไม่ได้อเขาไปโทรถ่ายรูปว่าเออมันเสียหายแค่นี้แค่นี้แค่ น, คนี้ไอ้นี่ก็เป็นหมู่พ่อแม่เขาก็ยากจนนะเนาะ พ่อกูอย่า ก, กลัวเอาละมีอะไรความจริงอะเด็กมันกลัวมากมันสั่นสุดท้ายเขาเรียกร้องอะไรล่ะพ่อกูจำไม่ได้ละสองหมหกรืออะไรเนี่ยนะอ่ะเขาก็ยืมเงินยืมเงินคนทั้งหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็ให้เขาเขาไม่มีเงินทั้งหมดหรอกรู้สึกให้ไปสองหมื่นได้ยังไงล่ะค้างอยู่6ก0ันว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปให้ พอแยติธรรมกับปุ๊บเนี่ยพกควรนักําเป็นยังไงเออมันบอกตรงเขาใจาไปแล้วสองหมื่นพกควรเอาสองหมื่นเอาไปช่วยเขาบางทีเราไม่รู้ทั้งหมดแล้วในหนมู่บ้านในทุกหมู่บ้านเนี่ ย, นนยพอเลือกตั้งผู้แทนไอ้เลือกเลือกเลือกตั้งไอ้ไอ้ผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งอบอตอมันก็แตกคอกันนะทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นแหละถึงบอกว่ามาที่นี่มาปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติ พอรู้แล้วพอเราเก่งแล้วเราก็กลับบ้านเราเนี่ยบางครั้งหวังดีประสงค์ลายเนี่ยนะถ้าตรงนี้เนี่ยเราไปขัดแย้งกับใครไม่แต่คนหนึ่งเนี่ยนี่ชายแดนนะเราขับรถเข้าๆออกๆ ก, กันคืนเดึกดนเดือนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนดีที่สุดไม่ใช่หน้าที่เราเราก็อย่าไปยุ่งนะมีโอกาสแล้วเนี่ยเวลาเราน้อยเราอุตมาหน้อยก็มุ่งมั่นปฏิบัติ นะบางคนอ้างว่าเกงใจพครูแล้วเกงใจพวกครูก็อยู่เฉยๆถ้าเกงใจจริงๆนะนะก็ตั้งใจปฏิบัติพวกครูไม่มีใจหรอกมีแต่จิตยินดีทุกคนมาปฏิบัติแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติมาทำตามกิเลสตัวเองอะไรอะไ ร, ะไรพวกนี้เพราะที่นี่เราไม่ได้เซตอัพไม่วางระบบควบคุมแล้วอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ไง ถ้าปล่อยทําอะไรเ ป, ป๋ป่ะปะแล้วคนแฝงมาเนี่ยเราเรายังไงล่ะเราไม่ได้สร้างระบบมาควบคุมเหล่านี้เราอยู่กันแบบธรรมชาติเรามาชีวิตเราไม่ใช่ธรรมชาติเรามาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าท่าในทางโลกเข้าเมืองตาหลิวหลวตาตามเรามาได้บ้านเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะครูเอว่าใครมาอยู่ที่นี่จะมาวันหนึ่งหวันสิบวันหรือเจ็ดวันเลือดกี่วันก็ะเส้เาแต่เนี่ยที่นี่ไม่มีเงื่อนไข แต่พยายามอย่าสร้างเงื่อนไขที่นี่นะไอ้ น, นี้ขออย่างเดียวไงเพราะกูไม่เคยขออะไรใครเนี่ยนะรักษาให้ศูนย์นี่มันเดินมันไปอย่างนี้ดีไหมอย่าหวังดีประสงค์ร้ายเลยนะอย่าเสียเวลาชีวิตไม่มีเวลาแล้วอย่าทําเล่นนะโน่นใครเก่งแล้วอวดเก่งแล้วโน่นไปสร้างสํานักที่ไหนไป ไม่ต้องมาทำที่นี่นะที่นี่ก็ปล่อยไปอย่างนี้บางเอิญมาพูดเรื่องนี้ไม่รู้กี่ครั้งคนคนอยู่เก่าเก่าก็รู้พอผ่านไปลืมลุ้ตก็พาคนใหม่เขาทำอีกไม่รู้จให้พรอครูพูดไปสักกี่ครั้งเอาคนใหม่เขามาไม่รู้คนเก่าก็ต้องบอกเขาไม่ใช่แสบสนุนเขาชวนกันทำอีกนะอันนี้พ่อครูถือว่านี่แหละคือผิดศีลไงขโมยทำเนี่ย ลักขโมยแล้วไงพิสินแล้วอุตสาปฏิบัติแล้วก็ให้เป็นบุญนะมีโอกาสมอบหมายหน้าที่แล้วเนี่ยอย่าใช้โอกาสนั้นมาสร้างอัตตานะใช้โอกาสนั้นมาฆ่าอัตตาตัวเองมันถึงจะเป็นทางค้นทุกข์ไง ไม่ใช่สวมหัวโขนวเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นอันนี้ตัวกูของกูนะอันนี้เราเสียเวลาชีวิตก็มีบางคำถามนะพ่อครูกรุณาอธิบายคำว่านา น, านานาจิตตังแล้วก็อุปทานแล้วก็ธรรมลมอีกข้อหนึ่งความเบื่อเกิดจากอะไร และอีกข้อหนึ่งจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระทําอย่างไรเห็นะนานาจิตตังนะนานาจิตตังเห็นไหมมีคําว่าจิตไงมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของจิตนะมันเป็นเรื่องอารมณ์ของจิตเรียกว่าธรรมอารมณ์ของจิตถ้าเป็นจิตแล้วเนี่ยต้องเป็นธรรมอารมณ์นะ แต่ถ้าเป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของเวทนานะมันเป็นเรื่องธรรมร์ของจิตวิญญาณซึ่งมีอนุสัยจิตชีวิตนี้เราทำอะไรบ่อยๆก็ติดเป็นนิสัยต่ไป น, นานๆปุบกลายเป็นสันดานนะแต่อนุสัยนี่เป็นเรื่องของอดีตมันตามจิตดวงนี้มานะ กลายเป็นจริตด้วยที่เรามีจริตไม่เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่านาน า, นาจิตตังเป็นเรื่องของอนุสัยของจิตนะส่วนมากเราน า, นานาจิตตังนี่เราก็ใช้เรียกขานเรื่องจิตที่มีอนุสัยต่างกันเรื่องจิตนะอารมณ์ของจิตไม่ใช่นิสัยปัจจุบันส่วนพฤติกรรมการกระทําในเวลานี้นะ ทำอะไรเนื่องด้วยเจตนาเนี่ยทำด้วยความชอบหรือความไม่ชอบของปัจจุบัน น, นะอันนี้เป็นอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้ามันแฝงด้วยเจตนาเมื่อไหร่เนี่ยก็กลายเป็นการสร้างกรรมใหม่เป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเราไม่เข้าใจคําว่านานาจิตตังเราเอาไปใช้าเพื่อเพื่อฉันจะสนองตัญหาฉันทําตามใจฉันอันนี้กรรมใหม่ เราต้องเข้าใจคำว่านานาจิตตังแต่ท ร, รมลมในอดีตนั้นนะ่ะถ้ามันผุดขึ้นมาเราไม่สำรวมระวังแล้วเนี่ยไอจิตปัจจุบันถูกใจสั่งใสเจตนาเข้าไปด้วยมันก็สร้างกรรมใหม่ได้เหมือนกันเหมือนชาตินี้เราเกิดมาเจอในกอนเนี่ยโอ้ถูกชะตามากเจอในขอหมันไส้ไม่รู้จักกันมาก่อน มันเป็นเรื่องของอารมณ์เก่ามีคนหนึ่งนะเรียนจบป ร, ริญญาเก้าตั้งแต่เป็นเนนนะแล้วก็ศึกออกมานะดังลระดับประเทศแล้วก็มาแต่งงานก็ไม่ได้ผิดอะไรป ร, ริญญาเก้าก็คือรู้พุทธศาสนาสูงสุดเลย แล้วก็กินวายกินเหล้าก็ไม่เป็นไรอีกเป็นเรื่องส่วนตัวอราหารันติโกงก็กินแล้วก็มีชู้อีกถามว่าเขารู้ไหมว่ามันผิดศีลรู้สิเขาเป็นครูบาอาจารย์แล้วทำไมยังมีชู้อีกนั่นแหละมันเกิดจากอารมณ์เก่าแต่ถ้าปัจจุบันนี่ไม่สำรวมระวังเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราสร้างกรรมได้ใหม่อีก นะกรรมมันมีสองด้านทั้งฝ่ายลลากุศลแลนะอกุศลนี่แหละกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันเนี่ยคือผลถึงว่าคําว่าใช้คำว่านาน า, น า, นานจิตตังต้องใช้อย่างระวังไม่ใช่ใช้ใช้ขับพรํารเพื่อนะกิเลสมันหลอกให้พูดเพื่อจะสนองตันหาตัวเองนะ่ยมันก็เป็นกรรมใหม่โดยเฉพาะเราพูดเดินทางแล้วเนี่ยไม่พึงกระทํานะอุตชา ทิ้งความสะดวกสบายอยู่ข้างนอกมาแล้วนะแล้วก็มาอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายมาเดินสายธรรมเนี่ยสมมุติว่า ก, ากักตุนมาตั้งหลายเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเผลอหลุดทีหนึงเนี่ยไอ้ที่สร้างมาทั้งหมดศูนย์เปล่ามันเป็นหน้าที่เสียดายนะแล้วก็ข้อต่อไปความเบือ่อถ้ามันเกิดจากการขบวนการที่เรา จเจริญวิปัสนาที่เรียกว่าพัฒนาจิตเนี่ยนะถ้าความเบื่อมันเกิดจากผลของการจเจริญวิปัสนาเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานลมเป็นตัวปัญญานะเป็นประโยชน์มันสามารถทำให้เราจางคลายความยึดมั่นความหลงของเราได้เหมือนพระครูเนี่ยกินเหล้ามานะหลายปีสู่บุรี2ยี่สบกว่าปีวันหนึ่งสามสี่ซองตีกบ ตีๆก็ยิงนกตกปลานะเป็นความที่เราหลงติดมันถ้าทิศไหนขาดไม่ได้ไปเนี่ยรู้สึกหมุดหิดรู้สึกทุกข์นะแต่เมื่อเพล่ค ว, ความเบื่อมันเกิดขึ้นกับพวกครูแล้วเนี่ยเห็นไหมเราเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราหลงมันอยู่ทำไมเราเราทิ้งมันได้ความเบื่อมันทำให้เรา จางคลายความยึดมั่นถือมั่นความหลงนั้นได้อันนี้เรียกว่านิพพานลมนะความเบื่อนี่มันเกิดจากจิตซึ่งผ่านการพัฒนามันคือผลมันคือมรรคผลผลที่เราเจริญมรรคมันทําให้เราเกิดความเบื่อไม่งั้นเราก็วางไอตัวเราหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อันนี้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นตัวปัญญาแต่ถ้าความเบื่อนั้นมันเกิดขึ้นจากใจนะจากกิเลส ฉันไม่ชอบมานั่งตรงนี้หรอกถูกบังคับให้นั่งนะใจมันเล่าร้อนมันเบื่อนะมันทุกข์มาก อ, อันนี้เป็นโทษอันนี้เบื่อจากอารมณ์ของกิเลสมันรวมด้วยโลภโกรธหลงนั่นแหละนะเกิดความเบื่อหน่ายนะเบื่อมันมีสองอย่างนะมันเบื่อมีสองอย่าง เบื่อจากใจมันเป็นเรื่องของอารมณ์ปัจจุบันเพราะมันไม่ได้ดั่งใจมันก็เกิดความเบื่ออันนี้เป็นด้านฝ่ายกิเลสฝ่ายอากุศลอันนี้เราจะพัฒนาไปสู่การสร้างกรรมนะหลงรักเขานี้เขาไม่รักเราแล้วนะ เ, เบื่อชีวิตฆ่ามันทิ้งแล้วก็ฆ่าตัวตายด้วยเขาคิดว่ามันจบนะไม่ใช่นะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเป็นกรรมหนักด้วย ไม่ใช่ตายแล้วจบนะนเกิดมาเดี๋ยวมันก็โดนทุกข์มากกว่านี้อีกอันนี้เบื่อจากการขาดสติเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่ใจนะแต่เบื่อเกิดจากการเราจเจริญวิปัสน า, าเนี่ยเราจะเห็นอะไรไอ้ที่เราเคยติดไหมทําไมฉันเห็นมันเฉยๆวะเบื่อมันอีกเห็นไหมตอนนั้นเราไม่เสพมันไม่ได้งไงเพราะเราติดมันเพราอารมณ์นิพพานลมนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่เอามันเลยนะ สมัยก่อนอู้หลมกับเขาตอนนี้เห็นอะไรเลิกตอนเบื่อมห ย, ยาบหยาบเบื่อนิพพาลมห ย, ยาบหยาบขยะขยงหมดละ่ะเห็นไหมอารมณ์เราเปลี่ยนเลยจากที่เราเห็นมันเมื่อไหร่นี่ยเราเราเราเร า, เราชอบมันมากแต่ตอนนี้เราไม่เอาละ่ะนะเนี่ยความเบื่อมันมีสองอย่างนะแต่เบื่อจากใจเนี่ยจากอารมณ์ที่ใจเนี่ยมันจะทําให้เราสร้างวัจีกรรมมนโนกรรมแน่นแน่นอนเนี่ยแต่มนโนกรรมไม่ได้ไปกระทบบุคคลที่สามเนี่ย นะเราเองรู้แต่ว่จีกรรมเนี่ยไปด่าเขาไปว่าเขาไปต่อว่าเขาเห็นไหมกายกรรมไปตีเขาไปฆ่าเขาแล้วก็กรรมนี้ก็ส่งผลสร้างวัะตะสงสารข้อสุดท้ายเนี่ยนะจะปลดปล่อยตัวเองให้อิสระทําอย่างไรต้องถามก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าอิสระ จากอะไรบางคนมีหนี้สินเห็นอยากอิสระจากความเป็นหนี้เห็นเออบางคนถูกเขาจองจำอยู่ในคุกอยากจะอิสระจากกการการจองจำนะมันมีมันมีมันมีอะไรหลายๆอย่างคนเรามันมันถูกติดบ่วงไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันนะ่ะคุณจะเป็นเพาะอะไรอะไรก็ช่างนะ อ, อิสระทำไมบางคนรักๆกกันอยู่ทำไมไม่ถาว่าจะอิสระจากความรักได้ยังไงเพราะตอนนั้นมันหลงน่ะเรื่องอะไรจะอิสระมจะกอดไว้แน่นๆนั่นะความไม่อิสระก็ทาให้เราเป็นทาสของสิ่งน้นๆนั่นแหละแต่ที่เหมือนกันก็คือว่าเราเป็นทาสของกระแสกรรมทั้งนั้นแหละนะ อิสระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออิสระจากวัฏฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือเป้าประสงค์ที่เรามาเดินสายธรรมนะอิสระจากนวนจากนวนไร้สาระเรื่องจิบจอยนะเรามีกรรมเป็นทายาทเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากอกหักไม่อยากผิดหวังจำแม่น่นอย่าเกิดอีก แล้วทำยังไงนี่ไงผู้เจ้าบอกเรียบร้อยเลยไงก็กําลังทําอยู่ไงจเจริญมรรคไงมรรคคืออะไรศินสมาธิปัญญาหรือทางศินภาวนาแต่ต้องทําให้มันเต็มสูบนะเห็นไหมเมื่อคืนเราดูหนังพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าอย่างไงขนทางแห่งพุท ธ, ธพระองค์ถ่อมตัวมากว่ามีจุดบกพร่องแค่สองอย่างจริงๆแล้วไม่ใช่จุดบกพร่องไม่เกี่ยวแต่พระองค์พูดเรามีจุดบกท่องแค่สองอย่าง คือหนึ่งไม่ยอมเดินทางให้มาถึงที่สุดสองไม่ยอมเริ่มต้นมีแค่สองอย่างแต่สองอย่างนี้ไม่ใช่จุดบกพร่องของพุทธฟังแห่งพุท ธ, ธะมันเป็นเรื่องของบุคคลมีแค่สองอย่างมีพวกเรานั่งอยู่ที่นี่ถือว่าเราเริ่มต้นแล้วไงก็เดินไปไม่ถึงที่สุดนะ อย่าไปถามว่าเมื่อไหรจะถึงไม่ถึงอย่าค้ากําไรเกินควรนะอย่าแกล้งเรืไอ้ที่สร้างอากุศลมาก็เยอะแยะมาทําดีแค่ไม่กี่วันนี่ต้องการปลดหนี้แล้วนั่นแหละข้อแรกคือไม่เดินให้มันถึงที่สุดข้อที่สองคือไม่ยอมเริ่มต้นเลยพวกเราเนี่ถือว่าเราผ่านเริ่มต้นแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ว่าเรามุ่งมั่นแค่ไหนเรามีศรัทธาแค่ไหน ถ้ามีศรัทธาแต่เลือกเวลามาฉันปฏิบัติฉันสบายใจฉันแข็งแรงเฉยๆแล้วก็ออกไปเอาความแข็งแรงนี้ไปสร้างกำรรใหม่แล้วมันจะยังไงล่ะนี่แหละคือความไม่มุ่งมัน่นไม่ศรัทธาตั้งมัน่นนะกล้าๆ ก, กลัวๆมันก็ได้เท่านั้นไงนะแต่ไม่ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะพระองค์ก็บอกแล้วไงนะความบกพร่อง ม, มีแค่สองอย่างหนึ่งไม่ทําให้มันถึงที่สุด สองไม่เริ่มต้นที่เราเรากำลังปลดปล่อยไงนะปลดปล่อยห้หลุดออกมาจากกระแสบ่วงกรรมนั่นน่ะไอ้บ่วงกรรมทำให้เราอยู่ในวัฏฏะสงสารไอ้ชาตินี้มาเจอเรื่องจิปบจอยเรื่องเรื่องรักรักไข่ไขเรื่องหลงหลงนิดนี่หน่อยนี่มันจิปจอยชีวิตเรายังมีความหมายนะบางทีคนนี้รักกันโอ้สมหวังแล้วไงแต่งงานแล้วไง ทำไมไม่ดูแลกันไปถึงตายกันไปข้างหนึ่งเพิ่ปุ๊บ ก, ก็มีช่วยอีก <Huh? S 1> มันรักกันยังไงมันไม่รักจริงมันหลงบางคนมาอยู่ที่ศูนย์นี่นะนะโอ้หนีทุกมาจะฆ่าตัวตายพอปฏิบัติปุ๊บโอ้ดีขึ้นบางทีมีโรคภัยไข้เจ็บปุ๊บนะ่โอ้ดีขึ้นพอผิดหวังนิดหนึ่งมาเนี่ย กูไปดีกว่าชาตินี้ไม่ม า, าศูนย์อยู่แล้วคิดได้ยังไงอย่างนี้คุณรักใครจริงไหมวันไหนคุณเบื่อกูก็ไปแล้วอย่างนี้นะเนี่ยคือคนถ้าไม่ตั้งมั่นไม่รู้ศรัทธาไม่มีกระตันดูแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายกิเลสมามันมีข้ออ้างทั้งนั้นแหละน ะ, ะก็เนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรพิเศษแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรพิเลนด้วย เพียงแค่ทำให้เป็นปกตินั่นแหละคือความปกติสุขก็เกิดขึ้นนะพออยากได้ก็ทำพิเศษพิเศษพอเบื่อมาก็ทาอะไรพิเลนกูจะทิ้งก็ทิ้งไหมจะสร้างกรรมใหม่ก็สร้างมาเนี่ยแล้วแล้วมันจะยังไงล่ะเนี่ยทำดีไม่ละชั่วมันจะไปไหนถ้ามันไม่เกิดเหตุ ม, มันสอบอารมณ์เราไม่ได้ว่าเรามุ่งมั่นแค่ไหนไง โดยเฉพาะไอ้กิเลสมาในใจเราเนี่ยมันร้ายที่สุดไอ้คนอื่นเป็นแค่ผู้สนับสนุนเป็นเรื่องหยบาบหยาบนะไอ้กิเลสในใจเรามันรู้เลยว่าเราชอบอะไรเรากลัวอะไรไมาถ้าเราไม่ศรัทธาตั้งมั่นเราโดนมันหลอกหมดแหละมันจะมีข้ออ้างหมดนะมีโอกาสมาเจอแล้วเนี่ยลังเลยอะไรสงสัยอะไรรออะไรอยู่นะก็ มีคำหนึ่งหลวงปูดุลพูดบ่อยๆนะคิดอย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องคิดเราเป็นมนุษย์ผู้เสริฐเราคิดได้เราอยากรู้เราถึงคิดเราถึงวางแผนมาที่นี่แต่พอเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยคิดอย่างไรก็ไม่รู้อยาหาเหตุผลแบบตรร ก, กะคือปฏิบัตินะก็เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะเพราะครูเรียนรู้ทุกวัน จิตพรอครูไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้แต่ไม่ใช่อยากรู้เมื่อมันสังเกตมันใส่ใจพ่อครูใกล้ชิดเด็กๆพก่ะครูก็มีโอกาสเรียนรู้อารมณ์เขาอันนี้ผู้ใหญ่บางคนไม่มีเวลาสั่งสั ง, ส ง, สงแล้วมันจะไปรู้หรือเปล่าเด็กมันคิดยังไงอารมณ์เป็นยังไงเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะเราให้ไม่ได้ปัญญามันเกิดจากประสบการณ์จริงๆที่เรา ตั้งบั่นศึกษาเขาอันนี้แค่สั่งการสั่งการเพื่อเอาผลงานเฉยโชว์สร้างภาพอะไรนั้ น, นมันจะไปรู้อะไรกิเลสทั้งนั้นนะก็เราคุกคีกับเขาเราก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่ถ้าคนไม่มีเมตตามจะมีเวลามาอย่างนี้ไห ม, ไ ม, ไ, มไม่ไม่มีทางหรอกทําอะไรฉาบฉวยเอาหน้าเอาตานั่นเราหลอกใครใครก็ได้แต่เราหลอกจิตเราไม่ได้นั่นแหละก็เตือนสติกันเป็นช่วงๆ อย่างน้อยๆถ้าไม่ติดอะไรอาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งบางทีพ่อครูมันเป่งเสียงออกมาเสียงดังหน่อยหนึ่งนะจิตปัจจุบันก็ดูมันเอ๊ะทาไมวันนี้มันแรงไม่ใช่มันคิดอยากจะแรงนะแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์นะบางใช้มันต้องใช้พลังนะกระตุ้นจิตให้มันตื่นมันงั้นมันหลงงมงายอยู่กับอารมณ์ตอนนั้นแหละใช่ไหมล่ะแต่มันเสร็จมันก็เสร็จไปเลยไม่มีอะไรพ่อครูไม่ต้องให้อภัยใครนะ เขาไม่เคยตัดสินใครถูกผิดมีหน้าที่เตือนสตินะบางทีจมปักอยู่กับอุดมการนั้นก็คิดว่าเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นความหลงอีกอย่างหนึ่งอ่ะหลงละเอียดด้วยติดดีนะถ้ายังเข้าไม่ถึงนาน า, นาจิตตังแล้วเนี่ยนิ่งเฉยตำลึงทองเอาตัวเองให้มันแตกฉานก่อนเดี๋ยวพลาดพลั้งนไปสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน เห็นไหมมันเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแหละลูกฝาแฝดเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันหน้าตาคล้ายคลกันพันธุกรรมเหมือนกันนะพ่อแม่เดียวกันไงแต่กรรมมาพันธุ์ที่เขาสร้างมามันไม่เหมือนกันแล้วเราจะเอาความรู้องค์ความรู้ไปนี่มันก็เกี่ยวกับการศึกษาไงการศึกษามาใหม่ใช่ไม่กอไก่ขอไข่ท่องจําเหมือนกันวิชาเดียวกันมึงท่องจําถ้าเรียนแบบนี้นะต่อไปเขาเลือกหุ่นยนต์จริงๆเพราะเพราะเราสู้หุ่นยนต์ไม่ได้ไง อารมณ์ดีเราก็ยิ้มกับเขาหวัดดีค่าอารมณ์ไม่ดีด่าลูกค้าอีกแล้วเขาจะเขาจะเลือกเราเหรอหมดเวลาแล้วที่จะไปเรียนรู้แบบนั้นเราต้องมีอะไรเก่งกว่าหุ่นยนต์นะถ้าทําตัวแค่เป็นหุ่นยนต์นี่ต่อไปไม่รู้เราจะ ม, มีที่ยืนตรงไหนนะหมดสมัยต้องเข้าไปเอาปัญญาเรามาใช้ ทุกดวงจิตมีปัญญาอยู่แล้วไอ้ความรู้ทางโลกเนี่ยนะนะมันจิบจอยแล้วก็เรียนไปอย่างนั้นอ่ะนะตอนนี้กระแสมันแรงมากนะไม่ใช่มันแปลกนะมันตันแล้วโลกนี้มันตันนะเก่งแค่ไหนก็เก่งมาแล้วเนี่ยแต่ปัญหาในโลกมนุษย์นี่ยิ่งมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บยิ่งมากขึ้นเห็นไหมอยู่ดีๆไม่ชอบอยังในหมู่บ้านนี่เขาจนอยู่ดีๆฮะยี่สิบ็ปีก่อนยี่บปดปีก่อนเขาจนอยู่ดีๆนะ แต่อนักวิชาการมาสอนให้เขายากจนใช่ไหมตอนนี้ยากแล้วเป็นหนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองไงเห็นไหมเหรอไม่ใช่คนมาอยู่ศูนย์นี่ก็เป็นพระอรหันนะเป็นหมูหันทั้งนั้นแหละนะอย่างแม่ครัวเราหลายคนไม่ใช่เขาปฏิบัติไม่ได้พวกนี้เข้าไปในจิตง่ายมากเพราะก็ไม่คิดมากนะแต่เข้าไปก็เจ็บนู่นปวดนี่ถอยหมดกรรมมันไม่เหมือนกันพวกเราเนี่ปวดหัวเพราะเราเป็นนักคิดเขาฆ่าสัตว์ เป็นอาหารเขาเนี่ยเขาก็เลยปวดตัวมันก็เลือกเป็นอย่างนี้ไงสัมืก่ก่อนเขาอยู่ดีๆของเขาเราไปสอนให้เขายากจนเขามีแล้วเขาก็อยากจะได้ไหมพออยากได้ก็ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายตอนนี้ทําอะไรบางคนนะมีกู้เมื่อไหร่กูก็กู้หมดอะ่ะกู้แล้วไม่รู้ทําอะไรนะกู้เข้ามาก็ปล่อยกู้อีกคิดว่าดอกเบีย้ยถูกมาปล่อยดอกเบีย้ยแพงนะเขาก็โกงอีกไงเพรากู้ปลมอมหมดเลยนะ คนเขาเดือดร้อนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเราเร า, เราไม่เราไม่มีกำลังเราก็ไม่ต้องให้เขาอันนี้ไม่ได้ให้นะซ้ำเติมเขาอีกบอกดอกเบี้ยเขามากๆกเนี่ยก็ก็ต้องรับกรรมไงนี่บาปนะเห็นไหมไม่ได้ช่วยเขานะั่นะไปซ้ำเติมเขาให้เขาต้องแบกรับภาระมากขึ้นเนี่ยความอยากของคนนะแล้วมันแล้วกรรมมันเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะนะอันนี้คือ บุญมีนะได้มาเจอแล้วแต่กรรมมันบังเพราะกูกล้าคาดหวังไหมไหม่อยู่ที่นี่เราก็แค่สร้างงานไม่อยากก็ทิ้งถิ่นฐานปัญหายาล้างเยอะมากผัวไปทางเมียไปทางเห็นไหมเด็กๆถูกทอดทิ้งแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงเห็นไม ชีวิตเรามีความหมายนะกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ผู้เปรศเรนี่ยเ ห, ห็นไหมหุ่นยนต์ตีมันก็ไม่รู้จักเจ็บนะอันนี้เรามีเลือดเนื้อมีอะไรมีสมองมีอะไรด้วยตัวเราเองฮนะแล้วยังไปทําตัวเหมือนหุ่นยนต์ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเราโง่เลยนะยังไปจมปักอยู่กับอบารมณ์บา้บาบบบอเนะรักแบบไม่มีเหตุผลนะรักแบบหลงงมงายรักแบบเห็นแก่ตัวเธอต้องเป็นของฉันเธอเป็นของคนอื่นฉันจะไม่รัก มรักกันแบบไหนเนี่ยถ้ารักจริงๆเขาไปมีความสุขเธอต้องดีใจสิมันเป็นความหลงมันไม่ใช่รักจริงๆนะผู้เจ้าถึงไม่ได้พูดคำว่ารักหรอกพูดคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่มีเงื่อนไขบริสุทธิไ์ไมม่ชีประถมมันจำนวนเยอะเนี่ยนะ พรากูยังจําชื่อไม่ได้หมดทุกคนนะมาผู้ปกครองเป็นใครก็ยังไม่รู้เลยนะแต่พกก่อคูเมตตาทุกคนผู้มีพ่อ ก, กูมีความสุขที่อยู่อยู่กับอยู่กับพวกเราไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เพราะว่าเธอทําอย่างนี้กับฉันเธอต้องยิ่งเงี้ฉันถึงจะรักเธอน่ยอันนั้นมันมันหลงนั่นแหละคําถามือว่าทําอย่างไรจะโดดออกมาจากจะอิสระเนาะเดี๋ยวคําถามก็คื อ, อยังไงล่ะ จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระทําอย่างไรก็ง่ายมากเนี่ยถ้ายังไม่อิสระเต็มที่เลยคําว่าวางแล้วมันก็ว่างก็วางสิที่ไม่อิสระเพราะเราไม่ยอมวางเท่านั้นเองนะวางเดี๋ยวคิดถึงมันก็ยกขึ้นมาอีกเนี่ยวางวางหยิบจุดวางวางเนี่ยนะั่มันจะยังไงล่ะนะมันก็ได้เวลาวางมันก็เบาเวลายกมันก็หนักมันก็เบื่อเบื่ออยากอยากเนาะสุดท้าย ถ้ามันทิ้งซะไอคนที่มันไม่ยอมวางนี่ยไม่ใช่เอาปืนไปยิงมันนะติดคุกนะนนมันไม่อิสระด้วยไงร่างกายก็ไม่อิสระเขาขังไว้อะนะข่าอัตตาเราทิ้งซะไอตัวนี้เราเป็นตัวต้นเหตุทั้งหมดโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิน